นามุตสาภาการวาัตราราตุสัมมาสัมพุทธสัสสะตามทัทถกาคสินตุสัทถาสัทถาปฏิรูปะชาิยาตนพิสิทธิ์จะใครเหตุปาลีปังเมนางปรา ม, มานีจงจากความเท่าภามีตน จะไข้อุสันหือแจงถ้าก็เสียงเิสนาเป็นสัมพุทธากาธาวา่าอิตังวาตว่าพรห ม, มานาปันทุงปฏิมุจีอุปาหนทาตาตุสุมันตายตวนาภาริยังกตวาปาตากินังปากามีดังนี้ พิงคาเวดูราพิกูตังไลจุงจังฟังนิยายทนทีจะกล่าวที่ถึงคมตังมีงามหนุ่มน้อยจาที่ถอยไปมานำตากากันกังฮ อ, อกเขาดังเปลี่ยวไฟพามจังไปบ้นผากเขาขึ้นอยาตึงใจเยหลงไปก็เยให้ตาเกือบใจสุขทิน พ่าตาสิ้นซ้ำรอบไว น, นอบนอบอำลาวาอามินตาตาเฮยอยู่โตเกียวกันสั่งแล้วก่อนี้ไปหันเลสุรตามุขบัมมานน้ำตาพามลำหลังหนาตาฝังสาสันจักอยู่นานก็อยู่คำเทานังคำเดียวไปถึงตันใดเลี้ยวพ่อไวน่ารอขึ้นมา จกากไกลขึ้นอยากไปแเ่หากเย็นวอยล่ามีปล่อยลิ้วหลีเท่าให้บีนี้ไปพามาไลาไ่ไหมเมตแสงเอาปิดแป่นราศีเท่าปันพ่ยากาเดินขอคายิงใจความคงควายไปรวดเมืองแกวหยอดสีวีตีได้มีคนอยู่ขามเขาสู่วิงวอน ว่าผ้าเม็นสันดอนตันใจกวางตันอยู่สร้างเด่นใดกูจังไปหรือรอดจังลยหันผ้าหยอดสอยคุธทรมนั่นจาว่าอันปีจันนาอันว่าคนตั้งหลายมาจู่ดาวตั้งสันเต้าจะพามเขาเลยตามตีผู้ร้องสาสู่สาสาวว่าดังนี้ ตุมเฮียพรหมเมดูราพามผู้สเสวงหาหลาบใจบาตเตมิงบอลผ้าเวดตันดอนตันใจเผ่อได้ไรเ้เผอสูอ้คอเจ้าเมืองยอ่อจุดขึ้นตั้งแผ่นปื้นขับนี้ไปเป็นจีจำอยู่เขาแก้วกูวงกัดพามสาหอดหลบล่อนไร้แปงก้อนเหลือผ้ามาน เต้าหือตามตุ้มมือได้ายเบอรสุขานเจ้าก็เอาไม่งามเลิศแล้วตั้งลูกแก้วไข้ใจออกมึงไปซาใจอยู่ป่าไม่วงกอดคุณแด้นา เมื่อนั่นขวัญตั้งหลายมุนมากเก่าตุ้งปากจ้ากันว่าตุ้งฮีดูร า, าพามผู้ติวติดมาเปื่อเหตุขตจันป้อนผ้ามันหรือขนาดาเต้าที่ราชผู้บัน ของโงกาทานด้วยง่ายาาจ้างแก้วใจเป็นต้านเอาสองขุมมานลูกเตากับจึงเจ้ามันฟรีไปเป็นชี้จำอยู่ในแก้ขวขูวังกอดคุณแด้นา ยีวังควันตั้งหลายมุนมากเก่าถอยหลาแ ก, ก่จีพามว่ามึงบอกคำมาเราเท่าเราเก่าเาบารู้จิบหามาเราเจะตีหือตายล้างเดาซื้อปืนเฮยเมือ น, นั่นควันตั้งหลายมุนมากความตุ้งปากที่จนมาสา ส, ส, สันซาสู่แหว่ร่ำอยู่ตุงไปผ่องยังยายอยู่คอนพ่องเลียนตอนติดหลัง ฟังเลยฟังวังเวดฟองเต้นเกว็ดวินหกเทาจูจอกฟึ่นฟังหือเทาทังไลตอกเลียนว่าว่องว่าวาดตาลืมดากเลี้วหลังพามยินกวังเลีนไลเข้าป่าไม่ปันกวังเบาหาตังสักหยาดผ้าเทาขาดลงตู้มันยินกูบุป่ารารุดขาลองไทย จักแห่นนี้หอนใดก็เบาใดจังลี้อยู่ใต้ขุมไมก็ยินบางจักเหรียตามหอนตังก็ยื่อาเขาตอนออเท่าร้อนปานไปเล่นเลือใจเฝ้าฟังพรมเท่ากังนักนาะตีว่าดาเลพีปา่านำเข้ากว่าหันตั้งเขางวงกดเขาใหญ่พามหลดใดตั้งไม่นิไปวันนั่นเลย ตามทัทถ์ปะกาสินตุสัทธาหาสัทธาปาสัตตาเลิดแล้วตนแก้วสองอาพิญญาจักไขอัทธานิตานติมเหต์ปังเมื่อเทาพิเศษต้อใจจักไขอาุูสันหือแจงธาจริเสียงเตสนาเป็นกาทาวา สโชจิตุสูพระมานีญาพระ ม, มโนกามากินที่ ม, มาคันตังปาติเสวิต า, าวันิวรามิกาคินนีคากาติปินิเสวิติดังนี้พิงคาเวดูราปิคุตังหลายคุงครองจินใสสักสวัสดังกล่าวถึงพระมานาจารย์สู่จูจอก ผู้ลาหอกถอยไรมีเตียงใจอยู่อยองเข้าใจหลองหลบหลากพาความใบหมากมูกามสวยสุขตามมุนหมิ่งร้อนไร่พิงเลือไฟหันต่างไกลไปอยากเอื้อมมอหาค่านองซื้อหลึงยองยายอยู่แรดจังมู่ฟังฟ้านมากเล อาตายาปรูวังตันดังพามหลังได้ผู้เท่าถือไม่เต้าปันโคงป่าท้องหลงกุ๊กใหญ่น้ำตอนใสกุ๊กกาลุนเท่ายั่งยุนพิเศษไรป้อนปิดเหลือคอนสินในตอนหาบได้เท่าถอยไรปาลา ยุมน้ำนาบูกว่าต่นตกผาปันกวางเต้าบุญขวางสิบสางตาติตั้งฮอนได้่อนตั้งไรไข่กาวพามรูขาวจะลัดไปตีนั่นหันเดทั้งปวิทั้งปหาหารยังผูกานั่งปาริวารายุงมีกันที่สุวิปะนาทุตุริปทาปากามี พิงคาเวทุราพิกูตั้งหลายสนตรสินใสสารุดจากตานจุดถึงทามผู้เบางามสิบแปดแห่งเท่าป้อนเปงทามดีเมจำนี้เข้าป่าซาลิซาลันกว่าตกไสหลงหอนตั้งไปปั้นจงยังตัดส่องดองนาทามตั้นหาบาปใบร้องให้หอดิวตาย กูการนังเมือนั่นมาตั้งหลายยินที่ยอมตัวสีตัวปีวันหน้ามีหลายหลากหลังตัวหากเลนลายมาตุกไปเป็นหมูใหญ่น้อยกูลิงรามมีสามสี่สามตัวเป็นขนาดตัวกาอาจเว่นหันตุ่ตัวขานโบก่อนมีเต่ก่อนมึนนาน เปนมาพานกูกาลือหลุมฟ้าเจตตาบุตรมีการุ่นราอาดเต้าเจตาราดเมืองาา้างอาปาฏิสันฐานตั้งไว้รักษาปารมานาไทยผูทธร คือว่าฟาเวสันโดนัการาดสังอาบาดวงกตเป็นเขาจอดแก้วผู้แจ้นอยู่ใหญ่ๆป่ผู่คันไปบกขาดผ่านผู้นั้นอาจรองรูยังประตูป่าไม่รักษาปารมานาไทยองขานมาพานมีหลายสัาตูหลังกำดำแดง ยังประตูป่าไม่รักษาปรมมารำนาไทยยองคามมาผ่านมีหลายสำตูกวามความดำแดงหลงขขาวเกี้ยงแก่นเกียงผ่านผั่งเล่งเห็นไพยยอมตามไปพับเทมีจือเตะได้มาตูหนึ่งจือมาสูงสูงใหญ่เร่ครบไก่ครบหมูเร่ครับงูครบนาตั้งป่าลินมันยาว ตูหนึ่งชื่อผู้กวางดาวสะเด็ตเมนว่าลองหันตั้งได้เจ็ดวันก็มารวด จ, จังโซสอดครอบมีมันปล่อยนีเร็มป่าเจ้ามันด่าดีฟังตูหนึ่งชื่อลายดำ อ, อกด่างมันนอนปัง่งคางเตาไฟมีใจไว้หรือขานาดมันจารูปวาดรอยพัน นายพานหุมปล่อยเจ้าตู้หนึ่งจื่อตินเต้า อ, อกเขาใจมันดูสาห้าโศกรายป้อนโบกมาจีนสองตินคอดคุยตุ่นซับมันบุญรูนูตู้หนึ่งจื่อไอหูดีหางดอกมันจังโซ่ศอกตุกลอม จมนายพานบบกาดตู้หนึ่งจื่อนาตาราดแกวไว้อ่อนพั้มไปโบกานเฮาตู้บ้านรรยตรีตู้หนึ่งจุยดำ ม, มีหังสันเป๋า่าเปบกันกัางฝานนายพานตือเหลือข้าหนาตู้หนึ่งจุยคำฟันฝาดคนเด้งเป็นมาเปียงคุณกาจิ้นเต็มขาก็พ่อเปืดอมัน ตัวหนึ่งเจอไอานาจันตาเลืกมันเบาเลือกสัดไหลตูวได้ไกฮอกใสคอบวไว่ไห้ดีดีตัหนึ่งเจอปูมาผีล้วนขอบแมบติ้นออกเป็นกั้นกันมันหันปอบใส่เบาใด้ไก่ไห้ก็เบามีจู แกว่งควดรู้คบกาบใจกาหยาบนักนาตู้หนึ่งจื้อสมมตาสีมันรู้ตีรอยกว้างเลยคบหังซักจ่องคบกาบนองใบใบตู้หนึ่งจื้อผู้ไฟรามไม่หมอนมันเบาหอนจอมหลังซ้อเลยลันทั้งป่าหันเด้อลาคบใตยตู้หนึ่งจื้อผู้อกอไล่กันกองเร่ถึงท้องคือวัน กันหันผ่านเข้าป่ามันจริงหล่าอ่อนไปตู้หนึ่งเจือปูมาในผิวฝาดใต้ขนณะสุดใจกันหันไผ่เข้าป่าวินเป้ะบากบ้อตู้หนึ่งเจือปู่หั ง, งอซับสิมตาพอยิ้มไปบ่นกันหันควันมารรดมันรู้สวดเข้ากลับตู้หนึ่งเจือปูตบหน้าเดีนตินเต้าแก่นอาลา รูนีลาแห่งเจ้านอนอยู่เผาริมจานกันไนผานจูปากมันหารูปกองดีตู้หนึ่งจื้อผู้เองขี้ผิวไฟมันไปไหลไก่เถิน่นใดวันทองตู้หนึ่งจื้ตาหลงมาพี่เสือมันไปไหลเลื้อมากับเขางายตู้หนึ่งจื้อผู้เล่นได้โคเกียนมันจางแก่นรมดอย กองเสียงก้อยพันออกมันโซสซกั น, นตา่างตูหนึ่งเจอผู้กลางแดงหูหลาบมันกับได้แล้วเบามีวางผ้าง้างกลางติ่งออกได้ไรขนาดใบดีดี ตู้หนึ่งเจอปู้มาผีลิ้นกาดมันไปครอบพันใดวันท้องตู้หนึ่งเจอผููมาโนจองไวเวียนหันเลื่อนเปล่าครอบไหลเลย ค, บคอบกับ้นกาบใดแล้วหลากมาเริอนตู้หนึ่งเจอปู้เฟินองหางดอกมันจังโซ่ศอกเอาหนูสาธุกายเบาใดนอั่นอยู่ไกล้เริอนทาน ตัวหนึ่งจืผู้แดงพ่านผิวหนากมันเบาผักหมูได้หันควันไปตอนเห่าจังโซเต่าตึงเลียนนายผ่านแคว้นรังญิงมาสิ่งนี้นันมีตูวหนึ่งจืผู้ควัรีแรงใหญ่กันมันไปไหลเลยมีในกีรีป่าควางสองสิบสั่งคอบเอาตูวหนึ่งจืผู้คุยเล่าผิวหลากเนือกาลากกูตาย เชือของกกาเบาใดฟุ้งแรดไห้มันเลยมันหุมเกยเอวป่าเบาร่องกกว่าไปอ่อนตูหนึ่งจือผู้ท่านิ่มเขาปวดไปภายสอดยิ้มอวันกันมันหันตูเถินหอกเด่นเลื่นไปจูกแกนรอมดูโซ่สวกตูหนึ่งจืผู้ตอนตอหหางคิดมันสอบทิศถึงทานไปเอวบ้านนอนจอง นายผ่านป่องดิ้งไว้เขาป่าไม้ดองรีตัวหนึ่งเป็นมาดีผิวตุนมันกุบบุญไปปอยจังล้อมรอยไว้เวียนหันสัดเหรียนไปหามินกอบท้าโหร้องนันตัวหอมหิมาวันตัวหนึ่งจือผู้เองจันเขียวขาบเบาสู้ผาบมาไหลเลหรียญหอกไกจิ่มไกเรียบรีบใจกอบเอา ผุ้งสันเลามวนหมากตัวนี้หากมาเรียงตัวหนึ่งจื่อผู้ดำแดงผิวเศษยามต้องแดดคุนกูมีตัวลุงสูงใหญ่มันแก่นไฟคอบค้นอยู่ข้างร่อนข้าขาดเกี่ยวเกี่ยววาดทุกไปตัวหนึ่งจื่อผู้ตายมาตกไปเร่อกดองไทย อันสัตว์ไปายล่ามันบินกว่าคบตาลากมาหาเห็นเจ้าพานปล่อยเผาป้าตูกิรี <c oughs> ตัวหนึ่งมีกุญหาปากาันว้ปันสันออกเหล่าตินมันย่ำลังเต่าปากมันเหาหาเล่ยนตามันเย็นหาหรอกทางมันสอบเข้ารูนูหูมันฟังเจ้ามันร้องว่าโอ้ก็มีแล ตูนัง่งคาตามาตั้งหลายเป็นหมู่เด่นชาสู่ตามความไหลเลยตามว่าวอกว้าวาดตูลึงหยาดปลายหลังตูแดงฟังแก่นนาตูกันอาซอกน้มาไปกว่าเล่ไปสายมาหมู่ไร่เป่ากบไหลเลยกบรารุนร า, าดเต้นชาสันชาช า, าเต็มดอง มันตามลังเข้าป่าร้องอ้อมกว่าสูงสูงตามปุ้มหลงยินกังมันเป้าฟังตอกลังมาคอบทองตึ้นหยาดใจเข่าขาดกูตายมันก็ข้ายุยข้ายายขึ้นตอนไม่หมอกไม่เต้าตอกขึ้นหลังจับหลังมาอีเดงร้องง่าเง่งง่าเง่ง มันก็สวัสดียายมันบ่าอมกาแทกกาแขงปิดจากังสวาหาแทกแทกมาคีดาบมันนั้นถาปเปสู้ก็หากยังมีเตน้อหวานนั่นแหล่มันก็เมือสามดูควันทั้งมันก็รููบักบูมันก็รีรวยรายคาันสีได้ดวดต้องให้เนื้อขาไม่บ่าอุยน้ออยนอ วันนี้กูมาชิปหายมากของกินหลากนานาคือว่าขาอน้ำเด็ดงาแลด้ขอน้ำถูเมียงดาโอเลปลาต้มกูก็สีไกย่ยำกับหน่อส้มไข่ต้มลานแม่นหลืนกูก็สีปลาชิ้นสุนทรวนเาทิ้นมกเต่าแล่หนังป้องกูก็สี ภาคสมดวงตากแดดมากเกล็ดแห่งเล่มากฟังกูก็สีจิ้นผ้านั้นนอนใตจิ้นไก่แหง ย, ยำคือกูก็สีมากคือกำน้ำมิงมากกิงเจน้ำตาลกูก็สีของกินหวานมีหลายหลากคุณมากมิงกูยาท้งป้านกุดขาดขาดานเพินจังไหวหลองนอนกูก็สี ตอนฝนต้องหับเบาเตียบตึงเงียบบางแดวิหั ก, กูก็สีไม่เตียงสักขีเขียวเนียบตอกเบี้ยวล็อกขันกูกส็สีเกิบพิษสวรคุงใหม่นำตอนใส่ผูกก้ารุนกูก็สีพายังยุ่นมองม่อนขาดหัวอ่อนลายดำกูก็สี หมากน้ำคากับองไก่ขอไม่ไฟจักไว้เก้าหลังกูก็เสีเสื้อดำปังเลืนดากกลับมาปั้นตามนี้กูกส็สีแลีไฟดีงอเงอดมี่งกินจอดติ๊กดิ๊กมิกคิกปัดสอคิก3ามิกก็บาออกเฮ่อปอ ย, อ, อยสซกจริงจักออกแล้เมี่ยงแล้เมี่ยงกูก็สี ข้าความปิ่งสันโบกพันโยแมแอวถึงมือกูก็สีกุบหลงตื้งงามงางเวีนบางไวอยังเงากูก็สีอยา่าไดเอามาใหม่เจเราใส่อมจินกันกูกินหายเหมยหายเน็ตเหน่อยเรียงมาถึงน้ำมันงาซสำเตียงไว้ตาแข็งยางเจ็บกูกส็สีไปแน่นาะ เว่ยเว่ยนอ้อกูมาชิปหายไว้ปังนี่เหล่าไรกว่าเก่าเส้นค่าร้อยว่ากูลองรึนมายามกาลากก่าเบาปวดมาหลอดเมืองสีวิราชเขาก็ไหลเลยตีกวาดคับนี้ล่ารุนไปเขากุม ไ, ม, ไมก็ปอโลอตายกองว่าหายเล้วกาก็เบาวันนี้สัมมาป๊บมาเห่าเลยคอบ ขอได้จาบาได้จาวิบาคามาตันไตเบาตันหันนานางกำพาอาบินตะตาเดนโอโอ้ยน้องมื่อกูยังอยู่บา้านโมเถียงตานมาตวยว่าจาตากูนี่ขาดเป็นข้อขนาดนักนาะว่าฮือกูปล่อยก็เละปากูก็เมาได้ปล่อยขอเมาถอยดี เต็มบ่ากูจังนี้ขึ้นเหล่าก็จังปัดเต่ามือได้เพราะว่ากูมาชิใหายไว้วอดขึ้นมารดบ้านก็หาักายตาเล่นาเท่าก็มาเย็นว่าไวา้ว่าบำเก่าถอยรังหายใจน้ำตาไหลกวาดร่องให้สวัดกาทาวา กูราจาบุตังนี่สาปังจายันตะมาปา ร, ราชิตั้งพายเคเม า, าตาตารังภูมิเวสันตารังที่ตูดังนี้คาราจาตันท่าเสดือลำเลิดมึงควันไผเอาตันไปสู่ซึ่งเต้าอยู่โคตานเต้าบันดานห้ยตูดตินหยอมมือเป็นท่าโยนบานใจ คนผู้ได้รู้ที่จุงเกาาที่ตั้งไปหนึ่งรายอยาจะตั้งปฏิทาศิภาคาศรัทธาจึงเจ้าอย่าจกเขาปั่นคงแผ่นดินหลวงใหญ่กว้างสัตว์สิ่งสร้างอาศัยเต้ามีใจกว้างเกียนมึนดั่งแผ่นดินนาไผเที่ยวมาตี่ีขอบอกที่ตั้งไปหนึ่งรา อย่าจะตั้งกะทีอาศัยเต้าบุญควังผ่มเงาอย่าเจ้าเขาวิ่งวอนเหมือนสาควนควินถังน้ำห้อยหลังไหลมาเต้าคุณน่าเลินลำควางกว่าน้ำสาควนกูวิ่งวอนขอบอกติเต้าออกกระทำทำได้เตือ กาเลียนอาทิตทังสูจีมังตาหลุงงามตาราบคนล่องอาบยันใจพองเขาใสเลิศลำบงังหยานนำกัดเย็นบูเขาเป็นที่ถอยบ้านเป่งซอยจนด้วนมีไก่สวนยายอยู่คนเก้าสู่ตุบไป เต่าใจภัยปวดโลกคือหลังโบกซาสีขันไดมีตีนีจุงบอกที่ต่างไปหนึ่งราอาศัททั้งว่าปาทีจะทั้งไม่สาบาเพียงมีเลอเลเกิดไก้แต่ต่างเตียวมีใบเขียวร่มกว้างเป็นตีอ้างอาศัย คนเตียวไกล่ลำบากเขาย่างหากเรียงมีเต้าเป็นจี้ใจห่อมคือดังไม่สาบาเพีงร่องำงต้นคนเจียวหันไปสู่เก่าคือผู้จะไปหนึ่งรานี่กล่วทังว่าป้าเชจะตั้งไม่ปูสาไลาใหญ่กว้างเป็นสีค้างต่างเตียวมีใบเขียวอาตุ่มลมเฟื้อกลุ่มยันใจ ขันเจยวไปกังแป่งแดดร้อนแรงหมเมาเข้าไปเศร้ายัางจอดหายปักหอดทุกคนเต้าไทยตันท้ายโยดคือดังไม่นี่โกตรริมตังกูอันค้างอยู่ให้ขอใดบอก่างไปหนึ่งเดอ อำปังอีวาปาทิจารังไม่มงงามเงยงอกไม่ลังออกดูคานไม่ตุ้มบ้านใหญ่กวางมีขอบขาริมตงังรมเย็นขวางสะอาดซิมสิ้นหยาดใหญ่ันข่าเชิญจันเฟืยอหนึกลำปั้นเกิกยันใจควันเตียวไก่ด่านดาวหือไข่ขาวแจ้มอน เฮรีรอนยังไวจับเจอดหันมีแรงเต้ารั้งเพียงควันไรกือดังไม่มุงต่างกูให้ข้างในตื่นเบาได้เงินต่างไปคนผู้ใดรู้ข่าวโอเก่าข่าวเอาบุญแดเตอฮิวันจะเมเวลาปลาตูปลาวินทศปลาฮาวานันในอังจานันติโย วัจจายาสุเอกาวา จ, จยาปาัสสาวีพุณยังอารัมปะกังกูมาหลงเถินทองในตีต้ อ, องดองดอนให้วิงวอนหิวหอดหาเต้าหยอดบุญควังควันใดเตี้ยกังป่ายังรู้ว่าไปหัน ข้านั่งทันสักสว่านเก่าข้าอาจมีคุณจังใดสวยพราบุญนันมากด้วยคำปากทีเดียวนั้นจาเล็ดตาสะตังปาริเทวานาสะตังสุตว่าผ่นจิตาบุตรปุจจาลาดอันเตาเจิตตาราดสมึงฟังหากปฏิสันทธนตั้งไว้รักษาประตูป่าไม้มาปาน เมื่อนั่นนายพานหันยินหลากอันมาหากเลยลังยินเสียงดังมีกองดังรุนร้องสาวสาว่านจิงเป้าไปกวาดเอาพื้นป่าใส่ท่านูพอเล้งดูไปหลุ่มยืดแต่บุ้มตุกเดนแล้วจึงเง้นตาพอไหวน่ารอหันพามจักคำร่ำคำด่าจิงเกาวาดูราพามปูใบนั่งอยู่ไม่เหมือนมี เป็นที่รู้ว่าเป็นเพศนาสมสีรษเขาวใท่องยาวยานอยู่นาฮับหูตัวดำหลังก็งำปุมใหญ่ต้องมึงไก่เหมือนไห้มีไฟดำย่ยรอดแถวจิ้นจอดแถวตอนตาหลวง ม, มันดิกหลาเกียวปั้นปากเหมือนหมู สองหูยานดังใหญ่ขากินบไม่รกำการมากูจังยิงพามผู้ขี่ดาบเท่าใบบาบดาตายตาพามผู้นี่นาเศร้าสดุดเบามีพายุ์เบาลางจังมาด้วยธรร ม, มาดาตามสุภาพตี่ใดมีลาบยอมสเสวงหา มันเดินมาปาไม่ร้อย่าทจังมาขอเอานางนาไทยมาตีเบาก็จกขอเอาสองสีสายสุดถึงเต้าตอนท้ายอยูดตางบุญจาเลมันผู้นี้เบาลังจังมาด้วยจอบกูจังบอกคือขอบมือขึ้นกูจกตัดเธอเถกเอาแหลกกูจ้าจาเลวานแล้ว ก็ถือเอาธาโนไปคำราดเพื่อเท่ากีดาส่าดุงกูจักตัดหูมึงกูคำแล้วสู่ผีกินจะเลววันก็มีวันนั่นแหละตามัดถังปากาสินโตศรัทธา สถาสาปันยูนามาหยกฟาจอมลูกจีนอามันจะไขอธถานิตานไฝ่ของฮือเจียงส่องใสงามปังเมิดจูจากาพาลองป่าจิตาพุทธลาไปหา ฟังกรรมจาไขรก่าวพามเท่าก่าวมิงวอนหาปาเวสันดอนตันใจคว่างเิตตาพูดอ้างดายิงบาศานุสินคำราบมือเท่าบาศตกใจผ่าจาใครอาลูสวดเป็นยูริยากาทาวา ตาชาติตุปติโสสิอารันเยลุนตาโคจารังตุมเฮฮิกทำเมปากาตูอติตาเนนาคติโยปปปติตุสการัตาวงคีวาสติปปปติดังนี้ พิงคาเวดูราพิกูตังไลตอนสักสวดอันตรองสินอาจโบราสุดอันผ่านเจตาบุตรผู้จะเริ่นปากวางอยู่แต่ตั้งดงนาหินสิ่งมาซาสูคอมผู้ร้องอวยเหล่านายผ่านเต่าไปรีบยกขาทีบมามันตามตรองหันเตะไกลเท่ากังไกลวอนตายและนา เมื่อนั้นนายพานกูจะลาดย่องนาไม่ว่าตามคืนเข้าไปยืนอยู่ไกลตั้นรำไม่สวยงามหันพามแก้นรุงรังปันดัง่งกลางกอเรานายพานเป้าสังสืดนาไ ม, ม่หมืดจันจ่าเป็นกาถาคำด่าร้องเงินว่าฮื้อฮือดูราพามคุ้มคือไรจิ่งสูเบี้เจ้าจำมิ่งกูบาน โดยของต้านใจจ้า้าเจ้าฟ้าหลุดกาเมืองไทยนั้นหนึ่งครับจากคือเต้าผักเมืองไปอยู่ดองไฟฮอกซิบหยดเข้าแก้วสูตรบองกอดว่าเวยเวยพามสาฮอดหลุหมากสูนี่หักอาสูรอาไกล ย, ยอม้องไ ข, ข่เคาะขิงจนตุกสิงคอตนัน ทานก็เอาไม้คานจนจ้จอยตั้งหลูหน่อยสองสีว่องกัดดีแก้วกู่เต้าเข้าสู่ภาวนาพุ่นแหลเดอากิจจ า, าริตุมเมโธมึงพามาปิดหมากเท่าใบบาบ้ลงใต จ, จากเมืองภายมาสู่ป่าปันเท่าลาหาตายจ่าเล ตสัตยหังหนาตาสามีชีวิตังมึงเดินมาสู่เต่ากังด่านดาวดองควงคือดังนกยางอันเจียวตองในน้ำยองกินปตากูรักษาตั้งจอดเบาหือรอรดนีไปจักขาสีในป่ามึงสิงว่าดาใจถ้านูกูใสสวดจักปาดปอดยิงไป ถูกโขใจหิวเหืดดูดกินเลิดมึงถามกันมึงตายตามเหยีดกูจังเอาไปเผดสัศนูจังตอนตัวจับขาเอาแล้วกว่าบูจาถไยวันตาน่อมหนอบต่งหือจอบใจผีแต่งชิ้นดีปาดออกจังไปบอกผีสาง กูจกทางเธอแทบจิ้นมึงแยกตุกอันกูจกปันหัวมึงผ่าเฟิองเอาข้ามึง อ, อ้ อ, อกูกจังย่อย่องยืนคือพี่จิ้นฝึงใจกูจกควากเอาหัวใจมึงออกมากแก้วทอกเอาไปบูจาไฟตุ้งอยากเท่าขีดาบดาไตจิ้นมันหลายเหนียวหยาบปิ่งสุภาพกลางไค มึงจังไปหรือใดสู่จันไขราศีลูกมิดีจันเต้ามึงเบาได้น้าวนำมือจาเลสู่ตาสาวาจานังสุดตัวเมื่อนั่นจู่จ่ากาพำได้ยินจิตาบุ ธ, ธรด่ากำไรว่าลุงลาย มันกฎหมายแก่นมากยินต้องอยากนั่น้าเบาวังหาขึ้นรวดเด่นตายตอดกังตั้งดังหรือจักวางกว่าหือป้อนกากำรเกิงขึ้นหาเมืองพ่อนามีกำฟ้าจืออามินตาตานันจา มูาวาตวพความลังกูขึ้นรอดเก่าถอยตอดวาจาเป็นอุสากรรมหลายฮือป้อนป่าย่างใจจริงจังถส่าอานาอุศาสเป็นบทบาทคาทาวา อาวัจโชพลัมมานตุตุสาจิตาปุตเตสุโนหิเมตาสมะหิตุตันณาหันติเอสาธรรมโมสานันตาโนดูราจิตาบุญเฮลันสู่เจ้าจึงอยู่ดาฟังยังวาจานังอันเก่าวข่าวข่าวกำเมือง วันนั้นเนืองแจงใจเขาป่าไมมาหาทำอาดาเจ ก, ก่อนไผเบาฮวนบุตตีคาคันดีผู้สื่อจึงได้เจอป้าเวณีเจ้าศรีวิบันออกไผ่บานขอกไลคุณเต้านั่งคุณต้นป่อไข่หันหนอสองสีนางพู้ซาดีต้นเมธเท่าแล้วงแก่รวยแรง สองตองอาแดงหน้นาแหน่งเบาแจงแป่งใสไว้ใจอะไรลูกไทยจึงแกงใจกูมาฟังตราลั้นเจ้าดูหากเจ้าจะเดินมาผาบุตรลูกเต้าอยู่ดันดาวไปสันกูจังไปนี่มันเหน่ามือมึองเก่าสีวีตานฟังดีจุงบอกพีเต้าออกเป็นชีหนึ่งรา เมื่อนั้นจตาบุตรผู้ใจหม่อไหวนาโตอยินดีขึ้นว่ามีสันทามหาก่าวเป็นบาเต้าสันใจมันเตียวไววไปรอดรอยว่าจังน้ำมอสองเจ้ายอดบุญเริงเมื่อสู่เมืองดั่งเก่าเป็นเต้าเหล่าพึ่งมีจาเล กันผ่านเจตบุตรข่าวเบาตันกก่าสาหัมันจริงปศนุไวมีใจใยยินดีตัณโนคือเขารีมาเลี่ยงมัดขอแหงมามันจำพามยันลองสู่มานังอยู่เนื้อเฟือ อันต้นเจอลาดไว้ใจร่มไม่เยนะจักจันจาหือจอบการถ้อยตอบกาทาวาพิยันญสมิพิโยตุตุปุนาปะตังตตาตามิติมันจามาถุโนโตุมปังมิกาสันทินจาพรห ม, มานาตันจาติ ที่สังคิสังยัตถะสัมม า, า, มาทิุติดูราพามตานมาดีด้วยจอบคันใจหลบมาถึงกูรักมึงแกนมากของกินหาไวอันกูจังปั่นแก่เทาตุนเต้าแรงมีน้ำพึ่งดีแป้งใหม่หุงแล้วใสก้าดิ่งลาย อาตรายิงมาใหม่สุกแหงใจปอบผ้ามันเป็นอาหารตั้งเขาพามเท่าจุ่งเอาไปคากาม า, า, าตูพรราชาตนใหญ่อันฮือแลี้ยงกรรมใสตั้งมนตีได้กนอยู่สร้างพราตีตั้งตันใดกูจังไขบอกด่านฮือรู้ด่านตั้งไปเบายาจาเล จูจากกาปปังนินทิตังขียาสังวันนานาวิสิจ้าหองเหตุจูจอกอันพาดับพาดาไปโดยกาถาวาในเจ้าิบเก่าตามดังพระพุทธเจ้าหากศีสนามาก็สารเจ้าบูรามนลนการาคุณเต่านี้ก่อนเล